รวมทั้งนะจะได้มีการจเจริญภาวนาในค่มคืนนี้นะในรูปของเนสัชิกนะก็คือว่าจะบนเพ็ญภาวนาโดยไม่นอนเลยนะไปจนถึงเช้าอันนี้ขอให้ตั้งใจอย่างนี้นะว่าทําเนี่ยนะเพื่อพระเถิเจ้านะอย่าทาเพื่อตามมาเพราะทาเพื่อตามมาเนี่ย เราคงจะหลายคนคงจะไปไม่ถึงกันนะเชาะ้าอ่ะเพราะว่าอาตมาคงจะไม่สามารถและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้แต่ถ้านึกถึงพระทุกเจ้าเนี่ยนะทำถวายพระองค์เนี่ยนะเชื่อว่าเราจะมีกําลังนะเพราะว่าศรัทธาที่มีต่อพระองค์เนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งที่ยากได้นะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งจิตว่าวันนี้เราจะภาวนานะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นะขอให้เอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งนะอย่าเอาตามาเป็นที่ตั้งนะเพราะาจะทำให้พ่ายแพ้ต่อความง่วงได้อย่า ง, างรวดเร็วมากเลยน ะ, ะก็ขอบคุณน ะ, ะที่มาร่วมกันทำสิ่งดีๆนะเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็โดยป ร, รบการที่ผมเลือารมาเมียยุครบหกรอบในวันนี้ วันนี้เนี่ยก็อยากจะบำเพ็ญธรรมทานนะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าจะอามอบหนังสือลำทานลินลมธรรมนะถบับสมบูรณ์ให้กับพวกเราทุกคนนะรออยู่มีอยู่ข้างล่างแล้วนะอันนี้ก็เดิมทีก็ตั้งใจเริ่มแรกก็ตั้งใจทำเนื่องในโอกาสที่โยมแม่เนี่ยเสียชีวิตไป24ปีครบสองรอบนะแล้วก็ถือว่ า, อาของ ถือว่าสิ่งที่จะเหมือนกับผลพอยได้นะก็คือว่ามีหนังสือเป็นของชํำร่วยนะที่จ ะ, อะมอบแล้วก็แจกให้กับพวกเราทุกท่านนะในโอกาสที่มามาทำสามิจกรรมหรือถึงจะไม่มาทำสามิจกรรมนะแต่ว่ามามาฟังรม แล้วก็เวียนเทียนนะเนื่องในวันวิสาขาบูชาเนี่ยนะก็ถือว่าสมควรได้รับเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกนะ็เมื่อพวกเราได้ลงไปจากหัสนสะราหัวตายแล้วนี่ก็ก็ขอเชิญไปรับหนังสือไดนะ้คนละเล่มนะนะนะกรุณ า, าหยิบเผื่อคนอื่นเพราะว่ า, าที่เหลืออาจจะพวกเราในที่นี้อาจจะไม่พอนะถ้าเราหยิบกันหลายเล่มเพราะนั้น ถ้าทนยู่เป็คนละเล่มเนี่ยก็พอก็เป็นหนังสือที่เชื่อจะเป็นสรีมงคลมากเพราะเป็นเรื่องราวของครูบาอาจารย์ซึ่งเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเชื่อเป็นภริยเจ้าคําสอนแล้วก็วัดปฏิบัติของท่านเนี่ยล้วน แ, แต่เป็นแบบอย่างที่จะนําพาให้เราเนี่ยได้เข้าใกล้นะถึงอุดมปติของชีวิตอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือการพ้นทุกข์ มีเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่ใกล้ตัวเราด้วยนะก็คือหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นของที่ควรจะเป็นของชํำรวยนะสำหรับอโอกาสนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่มีความสำคัญมากนะคือวันวิสาขาบูชาแลก็หวังว่าทุกท่านได้รับไปแล้วนะถ้าได้อ่านได้ ศึกษานำไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ไม่ต้องอ่านทั้งเล่มก็ได้นะแต่เชื่อว่าถ้าถ้าเริ่มต้นอ่านสักส่ห้าตอนแล้วเนี่ยก็คงอยากจะอ่านต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตั้งใจจะเขียนให้อ่านง่ายๆแล้วก็มีมีภาพรประกอบที่สวยงามนะที่ชวนให้อ่านได้นะนะผู้เขียนก็ภาพร ป, รประกอบก็อยู่ที่นี่แล้วนะนะก็ ก็คิดว่าน่าจะเป็นของที่เหมาะสมสหรับโอกาสนี้นะก็ก็ขอแจ้งให้ทราบอ่ะจากนี้ตามธรรมเนียมก็นะก็จะให้พรนะก็ขอทุกท่านได้รับพรนะยะถาวาดีวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตถินนางเปตนางอุปกัะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิตโยวิปวชันตุสัพโรโควินาตสตุมาเตภวัตวันตรายสุขิทีขายุโกภวาอภิวาธนาสีริสนิจังอุทธาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังเปียนเทียนใช่ไหมต่อไปเราก็แจกดอกไม้ทุบเทียนกันเนาะ นำมาถวายพระ